สำเนสนซอยหนึ่งโทรศัพท์029772750 022822025วัดมหาธาตุ026236326หนังสือทุกเล่มจากครูบาอาจารย์ทุกรูป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 ก็การุณาติดต่อกันเองกับเจ้าของผลงานหรือสำนักนั้นๆได้เลยนะครับเจริญในธรรมครับ